พวกเราเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกจิตใจของเราผู้ที่มาใหม่ๆมาวันแรกๆก็จะรู้สึกว่าอึดอัดนะหรือว่าขัดเคืองรวมทั้งรู้สึกอารมณ์ต่างๆรุมเร้าสารพัด จนกระทั้งอาจจะรู้สึกว่านี่เรามาทรมานตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ไปหลายวันก็จะเริ่มคุ้นเริ่มชินอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราเริ่มปรับตัวได้มนุษย์เรานี่มีความสามารถในการปรับตัวสูง โดยเพราะถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการมาที่นี่เห็นประโยชน์ของการมาปฏิบัติก็จะทำให้ใจร้อนน้อมกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตได้ง่ายเมื่อเราเห็นคุณค่าว่าเรามาเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจยอย่างไร ไม่ใช่มาเพราะถูกบังคับเราก็จะเกิดฉันทะคือความชอบความอยากความอยากนี่มันไม่ได้เสียหายนะถ้าเป็นการอยากทำสิ่งที่ดีงามอ่ที่เป็นปัญหาคือความอยากได้อยากเอาอันนั้นเราเรียกว่าตัณหาซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการสนองกิเลสเพราะว่ากิเลสนี่มันอยากได้แต่มันไม่อยากทำ อะไรที่ได้มาฟรีๆได้มาง่ายๆมันก็เอาถ้ามันให้รสชาติรสอร่อยแต่ว่าถ้าจะทำนี่ไม่ทาสิ่งที่อยากจะสิ่งที่ทำให้เราอยากทำสิ่งดีงามก็คือฉันทะทำไมถึงอยากก็เพราะว่ามีเพราะว่าเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นรู้ว่ามันเป็นสิ่งดี นะก็ทำให้ใจน้อมไปที่จะทำเกิดความเพียรพยายามขึ้นม า, าความเพียรพยายามก็ทำให้เรากล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ความเพียรพยายามนี้มีชื่อว่าวิริยะวิริยะนี้มันมันมาจากคำว่าวีระกล้าหารคือไม่กลัวอุปสรรคฝนตกอย่างไรก็ไม่กลัว แม้ว่าความเป็นอยู่จะลำบากนะก็ไม่ยั่นไม่ไ ม, ไม่ท้อแท้ท้อถอยนะการปฏิบั t นี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เกิดมรเกิดผลอะไรมากนักนะแต่ว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังฉันทะและวิริยะให้เกิดขึ้นได้อันนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะว่าเมื่อมีฉันทะมีวิริยะแล้วเนี่ย ใน้การที่จะทำสิ่งดีๆให้สำเร็จได้ก็ไม่ยากอย่างที่เราได้พิจารณาบทสวดเมื่อกี้นี้เนี่ยท่านจะเน้นมาก้วยเรื่องความเพียรประโยชน์ใดๆอันบรรลุได้ด้วยความเพียรของบุรุษนะบุรุษในที่นี้ก็ต้องรวมสตรีด้วยนะเราก็จะไม่ละทิ้งความเพียร น, นั้นไม่ว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งหรือว่าเนื้อเอ็กระดูกจะ เสื่อมสลายไปนะก็จะยังไม่ละทิ้งความเพียรอันนี้เป็นหัวใจสําคัญแต่ขณะเดียวกันนอกจากชันทะวิริยะและนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือนะความจดจ่อใส่ใจนะที่จริงมันก็มาเองนะเรามีความเพียรในสิ่งใดมันก็จดจ่อใส่ใจสิ่งนั้นแต่ก็บางครั้ง ถ้าฉันท่าเรายังไม่สมบูรณ์ดีพอมันก็จะวักแว๊กนะปฏิบัติธรรมไปก็วักแวกถึงงานการนึกถึงความสะดวกสบายที่บ้านที่กรุงเทพนะนึกถึงลูกบางทีก็เกิดความลังเลสงสัยว่าเรามาทําไมนะเราก็สุขสบายดีอยู่แล้วนะทําไมต้องมาทุกที่นี่นะอันนี้ก็ทําให้จิตใจวักแว๊กนะนะก็ต้อง ให้มีสตินะเพื่อเราจะได้เกิดความจดจอ่อจดจอนเรียกว่าจิตตะจิตตะนะมีฉันทะวิริยักษ์ก็จะมีจิตตะและเมื่อจดจ่อใส่ใจแล้วก็อยากจะตรวจสอบพิจารณาใคร่ควรวนว่าสิ่งที่เราทำมานี้มันดีพอหรือยังควรแก้ไขปรับปรุงไหมนะเราเรียก ว, วิมังษา วิมังสานี่แหละที่ทำให้เราอยากจะสะดับตัดฟังคำแนะนำของครูบาอาจารย์หรือเพื่อนมิตรสาหาคนธรรมดาไม่อยากจะฟังคำแนะนำหรือคำตักเตือนเพราะว่ามันไปนกระทบอัตตาแต่ว่าถ้าเรามีฉันทายแล้วเนี่ยจิตใจฝ่ในความดีงามมีความเพียรพยายามที่จะทำให้สิ่งดีมันเกิดขึ้นเราก็เปิดใจพร้อมรับฟัง นะก็ทำให้การปฏิบัติมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการปฏิบัตนะิโดยเพราะการทำกรรมฐานเจริญสติเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจ น, ะนอกจากการมีอิธิบาตส4อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจจิตใจของเราในระดับหนึ่งด้วย ใช่รู้ทันใจของเราว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยนะใหม่ๆก็จะมีอาการปั่นป่วนหรือบางคนอาจจะรู้สึกกระสรับกระส่ายทุรนทุรายได้ซ้ำให้รู้ว่านี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตเรานะจิตเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ถูก ตามใจมาเส็นนานเราเรียกว่าสปอยนะถูกตามใจเส็นนานนะอยากได้อะไรก็หามาให้ปนเปรื้อจนกระทั่งนิสัยเสียนะพอจะให้มาทำอะไรที่ดีๆที่เป็นประโยชน์นะที่ไม่ใช่เป็นการตามใจ เขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะฮึดฮัดขัดขืนเหมือนกับเราจะเอาลูกที่เราตามใจนี่มามาวัดหรือว่ามาอ่านหนังสือนังหาไอ้ที่แต่ก่อนเขาก็เพลินกับการไปเที่ยวไปเล่นทําตามใจอยากแต่พอเราจะมาขอร้องหรือแม้แต่บังคับให้เขามาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ หรือแม้แต่มาวัดฟังธรรมเขาก็ไม่ยอมเขาขัดขืนฮึดฮัทนะใจเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องรู้วันนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอาการฮึดทัทนี่เองที่เรียกว่ามันเป็นอาการเพรีดของจิตนะจิตของเราเนี่ยเนื่องจากเราปนเปรอเขาด้วยรสชาติที่อ ร, อร่อยมานานเช่น นะความเพลิดเพลินในทางวัตถุปนเปิ้อรสอร่รอย ร, ร่อยให้เขานะอยากทำแล้วก็ทำอยากเที่ยวก็เที่ยวนะพอจะให้มาอยู่วัดนะในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วต้องวันทั้งวันก็เอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวเนียเขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะขัดขืนแล้วว่าถ้าเป็นมาก็มันก็เป็นมากพยศ น, นะ ลองสังเกตดูใจของเราเนี่ยมันจะมีความดิ้นรนอยากจะออกจากที่นี่ออกไปไหนออกไปสแสวงหารสชาติที่อ ร, อร่อย่นะที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจนอยากจะไปหาสิ่งใหม่ๆเพื่อมาปนเปรือแต่เนื่องจากเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเร า, าต้องมาอยู่กับหมู่คณะตามกําหนดเขาก็จะ โวยวายขึ้นมา เ, ออเขาก็จะเอะอะเขาก็จะตีโพยตีพายก็ให้เรามองอาการเหล่านี้ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขานะเหมือนกับลูกที่หึดหัดโวยวายเมื่อต้องมานั่งอ่านหนังสือทำการบ้านหรือว่าเตรียมตัวสอบนะเขาก็จะขัดคืนนะ แสดงการประท้วงต่างๆก็เราก็เป็นอุเบกขานะคือไม่ใจอ่อนไม่ใจอ่อนเพราะรู้ว่านี่มันเป็นธรรมดาที่เขาจะมีอาการอย่างนั้นนะต่อไปต่อไปเขาก็จะเริ่มคุ้นเริ่มชินส่วนหนึ่งที่เขาคิดทัดอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลใจใส่เขาด้วย ไอ้จิตเรานี่มันอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับเด็กที่ขาดความรักนะขาดความรักเด็กที่ขาดความรักนี่เาก็จะมีอาการนะที่เรียกว่าก้าวร้าวหรือว่ า, ามีอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็มีชอบประท้วงนะพ่อแม่ จิตของเราก็เช่นเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยดูแลใจสายจิตของเราเลยนะเราสนใจแต่สิ่งนอกตัวสนใจแต่งานสนใจแต่ทรัพย์สมบัติหาเงินหาทองสนใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งนอกตัวทั้งนั้นเราแทบไม่มีเวลาที่จะให้กับจิตใจของเราเลยเหมือนกับพ่อแม่ที่เอาแะทำมาหากินไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกลูกก็เลย มีนิสัยแปลกแปลกนะมีอาการก้าวร้าวหรือว่ า, อาชอบเอาใจตัวเรียกร้องความสนใจนะจิตของเราเป็นอย่างนั้นนะลองดูว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราให้เวลากับจิตใจของเรามากน้อยแค่ไหนเวลาเราชําระเรามีเวลาให้กับการชําระร่างกาย แต่เรามีเวลาให้กับการชำระจิตใจให้ผ่องใสไหมเราให้เวลาการกินอาหารเสียเวลากับการหาอาหารมาใส่ท้องมาปนเปื้อร่างกายแต่เรามีอาหารให้กับใจของเราบ้างหรือเปล่านะวันทั้งวันเนี่ยนะเราหมดไปกับเรื่องของกายซีเยอะแยะแม้กระทั่งการทามากินของเรามันก็เพื่อหาสิ่งมาปนเปอือมาประดับประดาร่างกาย ไม่ใช่เพียงแค่ความอยู่รอดของกายเท่านั้นแต่ว่าประดับประดาปลนเปลอแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรกับจิตใจของเราเลยแม้กระทั่งการพักใจเรามีเวลาบ้างหรือเปล่าเรามีแต่การพักกายนะแต่ว่าใจไม่ค่อยได้พักชีวิตของเราส่วนใหญ่นี่ก็เรียกว่าไม่ค่อยได้เอาใจใส่จิตใจของเราเลยจิตใจของเราก็เลยนะมีอาการแบบนี้แหละนะก็เป็นพวกเหมือนกับขาดความรักควา ม, วาม อ, บอบอุน่นก็จะแสดงอาการประท้วง สต่การต่อต้านขัดขืนนะแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นนะฉันจะทำตามใจตัวอย่างเดียวกาเดียวกันก็เรียกร้องความสนใจนะอันนี้เราก็ต้องรู้ทันนะใจของเรานะก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปหวั่นไหวนะก็ต้องมีอุเบกขาด้วย แต่ถ้านั้นไม่พอนะถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องให้เวลากับจิตใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราต้องให้กับลูกของเราให้ความรักแับเขานะเมื่อเราใส่ใจให้เวลากับจิตใจของเรานะจิตใจของเราก็จะเริ่มนะมีความรู้สึกเต็มอิ่มขึ้นมาแล้วก็จะน่ารักจะอยู่ในร่องในรอยหรือว่ามีความนุ่มนวลมากขึ้นนะจะไม่พยศจะไม่ก้าวร้าว อย่างที่เคยเป็นแต่ว่ากว่าจะผ่านช่วงนี้ไปได้กว่าจะมาถึงช่วงนี้ได้นี่มันก็ต้องใช้เวลานะั้นเราก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงนะนะคือหนักแน่นมั่นคงกับอาการต่างๆของจิตใจที่แสดงความประท้วงนะต่างๆมากมาย อาการประท้วมมันก็ออกมาในรูปของนิวรณต่างๆ ง, ง, ง่วงบ้างฟุ้งบ้างเครียดบ้างรำร้องอยากจะไปหาความสุขอยากจะกินน้ำอารมหรือว่าอยากจะอยากจะนอนเล่นสบายๆไม่อยากตื่นเช้าหรือเช้ามืดรวมทั้งรมาลาังเลสงสัยพยายามให้ผลมายั่วยุหรือว่ากระตุ้นเราให้เราละทิ้งการปฏิบัติกลับบ้านดีกว่านะอยู่ที่บ้านสบายกว่ามาทาไมเอาไว้แก่แล้วค่อยมาก็ได้ ท้งหนี้เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เรียกรวมๆวงก็ว่านิวรธานะเป็นอุปรสรรคต่อการทำความดนะีแต่ถ้าเกิดว่าเราหนักแน่นมั่นคงเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั่นไปเป็นการดีต่อจิตใจนะเราก็จะไม่วันไหวนะก็ทำนะลองสังเกตดูใจของเรานะมันร่ำร้องมันเรียกหาอะไรต่ออะไรมากมายนะเพราะว่าก็ไม่เคย ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้รับการฝึกฝนด้วยนะนสิ่งที่เรามานี่เพื่อใช้ฝึกฝนนะจิตใจของเราเพื่อให้สงบให้นุ่มนวลให้ควรแก่การงานนะควรแก่การงานนะอันนี้เราเรียกว่ า, ากรรมนิยานะเป็นเป็นคุณลักษณะหนึ่งของสมาธิซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราฝึกจิตฝึกใจของเราอย่างสม่ําเสมอ วิธีนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการทำให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับจิตใจของเราก็ได้นะจะมองในแง่นี้ก็ได้นะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความพยายามที่จะให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับจิตใจของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนื่องจากเราไม่ค่อยสนใจเขาละเลยเขามานานบางทีเขาก็เลยแสดงอาการเป็นประปัก จิตใจของเราเนี่ยมันมีแค่ทางเลือกอยู่สองทางนะคือถ้าเราไม่เป็นมิตรกับเขานะเขาก็จะเป็นศัตรูของเรามีแค่นี้แหละนะมันก็เหมือนกับที่แม่ถ้าไม่เลี้ยงลูกให้ดีบางทีลูกก็กลายเป็นลูกทารพีอากตันยูจิ ต, จตใจของเราเนี่ยเรามีทางเลือกสองทางก็คือว่าถ้าเราไม่เป็นมิตรกับเขาเขาก็จะกลายเป็นศัตรูของเราแล้วก็เป็นศัตรูที่น่ากลัวมากนะ เพราะว่าเขาสามารถที่จะทำร้ายตัวเราได้ตลอดเวลามีเด็กคนหนึ่งนะอายุเจ็ดขวบเวลาแกโกรธมากๆเนี่ยนะปกติเวลาโกรธแล้วนี่ก็ต้องระบายระบายใส่คนนู้นคนนี้นะเพื่อที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในอำนาจของตัวเช่นพ่อแม่จะต้องยอมตามความต้องการของตัวแต่เวลาพ่อแม่ ไม่ยินยอมแกไม่รู้จะระบายความโกรธยังไงนะทำยังไงไทิ้งตัวเอาเอาหลังฟาดพื้นเลยทำร้ายตัวเองให้พ่อแม่ดูนะโกรธมากนี่ไม่รู้ทำยังไงทาอะไรไม่ได้ก็ทิ้งตัวเอาหลังฟาดพื้นไม่รู้หัวกระแทกพื้นหรือ่าทำอย่างเงี้ยนะเด็กบางคนอายุสามสี่ขวบนะ เรียกร้องความสนใจของแม่แม่ไม่สนใจเอาหัวโคกพื้นเลยโคกนีออ่นั่นแหละโคกโคกจน ท, ทำพ่อแม่ต้องยอมถามว่ามันมามันทํามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากใจใจที่ถูกปล่อยถูกละเลยนะถูกตามใจมากมันก็เลยกลายเป็นศัตรูที่สามารถจะทําร้ายเราเองได้คนที่ฆ่าตัวตายเขาทางั้นเพ่ออะไรก็เพราะใจของเขานั่นแหลนะเพราะใจนี่มันสามารถที่พอเป็นศัตรูที่ร้ายกาจของเราแ ล, แล้วนี่มันสามารถจะ ทำให้เราเนี่ยถึงถึงคาดได้นะไม่เพียงแต่ทําให้เราเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยด้วยโรคภยครัยไข้เจ็บด้วยความเครียดด้วยความโกรธนะแต่ว่ายังสามารถทำร้ายชีวิตของเราได้ก็เพราะใจนี่แหละพระเจ้าถึงจัดว่าโจทรทําร้ายโจรได้กันหรือศัตรูทําร้ายศัตรูได้กันเนี่ยก็ไม่ไร้ายแรงเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดหรือว่าจิตที่ฝึกฝนไว้ผิดนะหรือว่าจิตที่นิสัยเสียนั่นเอง นะแล้วจิตที่นิสัยเสียหรือจิตที่ไมไ่รับการฝึกฝนเนี่ยนะหรือจิตที่ไม่เป็นมิตรกับเราเนี่ยนะแม้ว่าเราจะได้รับอะไรดีๆมาในชีวิตนะก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะเรามาคิดว่าเรามีความที่เราทุกนี้เพราะว่ามันมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราถึงทุก แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าแม่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าจิตของเรานิสัยเสียหรือวางไม่ผิดนะก็ทำให้ทุกอยู่นั่นแหละเนะมื่อตอนกลางวันก็ได้เล่าให้ให้กลุ่มนะจากโรงพยาบาลเมืองเลยฟังว่ามีมีนักเล่นหุ้นคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นนักก็เป็นเซียนเซียนเล่นหุ้นเลย วันหนึ่งก็ไปเจอคุณป้าคนนี้ที่ตลาดทุนคุณป้านี่แกก็ไปตลาดทุนทุกวันแกไปเล่นทุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นคุยไปคุยมาก็ได้ทราบว่าคุณป้าคนนี้แกเพิ่งขายหุ้นไปเมื่อสามสองสามวันก่อนเฉพาะกํำไรนี่แกได้ตังสิบล้านนักเล่นหุ้นคนนี้นะเป็นผู้ชายก็เลยพูดกับคุณป้าว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าคุณป้าบอกว่า ตอบมาว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันก็ได้กำไรแล้วยี่สิบล้านนะแกไม่ได้ยินดีด้วยนะได้สิบล้านนะวันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหุ้นเหมือนเคยนะผู้ชายคนนี้ก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งหรือบลกเกอร์นะว่าเอ้คุณป้าไปไหนก็ได้คมตอบว่าไปโรงพยาบาลแล้วแกเป็นอะไรฮนะ แกเครียดนะแกทุกมากเลยที่ได้แค่สิบล้านสิบล้านนี่มันยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแต่ทําไมได้แล้วไม่มีไม่มีความสุขทําไมแล้วได้แล้วเครียดนะก็เพราะใจใจมันอยากได้อยากได้มากกว่า น, นั้นใจที่ไม่รู้จักพอใจที่มีโลภเนี่ยนะมันทําร้ายเรานะมันทําร้ายเราเราได้เท่าไหร่มันก็ไม่มีความสุข เราได้เท่าไหร่เราก็ไม่มีความสุขเพราะใจนี่มันมันไม่ยอมมันไม่พอนะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าใจเราวางไว้ดีมีนิสัยดีนะเพราะว่าการฝึกฝนนะแม้ว่าเรามีความทุกข์มีความลำบากเช่นเราเจ็บเราป่วยแต่ก็แค่ทุกข์กายนะแต่ว่าเราไม่ไม่ทุกข์ใจ มีคนหนึ่งแกเป็นเป็นคนที่มีน้ำใจดียังเป็นหนุ่มอยู่แล้วก็ชอบพานักศึกษาเนี่ยไปไปทำจิตอาสาในจังหวัดที่กันดานในอำเภอตำบลที่กันดานคราวนึงก็พานักศึกษาไปถึงแม่หองสอนทำค่ายพอเสร็จแล้วก็ลงเขาเพื่อที่จะไป จังหวัดแม่จังหวัดตากต่อจะไปแม่สอดนะจะไปสํารวจสถานที่ทําค่ายนะระหว่างที่ทางรถเลี้ยวเคียวคนนี่ก็เกิดรถแหกโค้งก็ตกลงไปข้างล่างนะรถตู้นะก็ไม่ถึงกับเป็นเหวนะตอนที่รถตกลงไปข้างล่างนี่แกก็นึกถึง นักศึกษาที่พามาด้วยว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าปกว่าทุกคนปลอดภัยแต่ตัวแกเองน่กลับมีปัญหาในสศึกก็เรียกว่าอมาัอมาพากอัมพาตนะตั้งแต่ส่วนเอว ล, ลงมานะคือไม่มีได้รับการกระทบกระเทือนทางประสาทตอนที่อยู่โรงพยาบาลเพื่อนเอนก็มาเยี่ยมเพื่อนก็ตัดเพ้อหรือพูดขึ้นมาว่าเนี่ยทาไมทาความดีนะ ถึงมาเจอ อ, อุปสรรคเจออุบัติเหตุแบบนี้พูดเหมือนกับทนองว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีแต่ผู้ชายคนนี้นี่แกกับยิ้มนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าก็เพราะทำดีเพราะทำบุญนีเสร็นนะถึงรอดมาได้ต้องครึ่งตัวแกไม่ได้ทุกเลยนะแกมองว่าเนี่ยไอ้ที่อัมาอามาอมามพาเนี่ยนะครึ่งตัวเนี่ยมันกลับมันดีนะเพราะว่าไม่งั้นตายไปแล้ว เพราะแกทำดีนะถึงรอดมาได้ครึ่งหนึ่งไม้มนตะแกไม่ทุกกันนะก็เหมือนกับ น, น้องทันน้องทันที่เราได้ข่าวอายุ14แล้วก็รถเกิดไปโดนรถรถไฟฟ้าทับขาขาดนะที่สิงคโปร์อายุ14นะแต่ว่าแกรเรียกว่ารับมือกับเหตุการณ์ดีมากมีสตินะ แล้วก็สามารถที่จะพยุงตัวขึ้นมาไปหาหมอแกก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรนะแกก็มีคนถามว่าไม่ทุกหลือแกบอกว่าจะทุกไปทําไมนะเราก็เสียเสียขาไปแล้วนี่นะถ้าไปซ้ําเติมตัวเองอีกมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญนะ่อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอนิสงส์ของจิตนะที่ฝึกเอาไว้ดีนะพ่อนี่เขาก็เป็นคนที่ฝึกลูกไว้ดีลูกเขาก็ได้รับอนิสงส์อย่างนี้ ก็เลยไม่ได้ทุรนทุรายนะไม่ได้บ่นโพตีโพตีพายบวยวายอะไรเอาคนเรานี่จะสุขหรือทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเรื่องดีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแม้จะมีเหตุร้ายนะแต่ว่าถ้าวางใจไว้ดีชเช่นนะมองในแง่บวกนะหรือรู้จักมองหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นมนะันก็ไม่ทำให้ทุกข์มีนักษ า, าคนนึงเป็นลิวคเมีย มะเร็งเม็ดเลือดอายุแค่ยี่สิกว่าเท่านั้นเองก็ทุกข์นะทีแรกแต่ตอนหลังเนี่ยแกก็ยิ้มได้แกบอกว่ามะเร็งนี่มันมันนำสิ่งดีๆมาให้แกช่วตของเขาเนี่ยอยู่สามอย่างคือทำให้เขาเนี่ยทราบซึ้งถึงคุณค่าของธรรมะเพราะว่าพอป่วยแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านสือธรรมะก็เห็นคุณค่าของพุทธศาสนา อันที่สองคือว่าเขาได้เห็นความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่คือถ้าไม่ป่วยนี่ก็ไม่เห็นนะเพราะว่ า, าต่างคนต่างอยู่พู้ง่ายๆนะตัวเขาก็อยู่หอพักนะความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยใกล้ชิดเท่าไหร่ตามธรรมดานนกลุกรุงเทพนะแต่พอเขาป่วยนีย่พ่อแม่ก็มาดูแลเต็มที่เขาก็ซาบซึ้งเห็นความรักอันไม่มีประมาณของพ่อแม่อันนี้ก็เป็นรางวัล เหมือนก็เป็นของขวัญอันหนึ่งอันที่สามคือว่าทำให้เขาเนี่ยเขาบอกว่าทําให้มะเร็งมันทาให้เขาเนี่ยใส่ใจกับการมีชีวิตมากขึ้นนะไม่ประมาทแล้วก็คํานึงถึงความสุขของคนอื่นมากขึ้นจะบอกว่าถ้าแกไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะก็คงเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนะอยู่หอพักบ่ายสามนค่อยตื่นไปเรียนหนังสือไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ ไปคุกค לי กับเพื่อนกินเหล้านะหรือไม่ก็กลับมาหอพักก็มาแชทอินเทอร์เนต็ตอ่าเล่นอินเทอร์เนต็ตมาแชทเล่น Facebook กว่าจะเสร็จก็กว่าจะเข้านอนก็เช้ามืดแล้วนะเป็นชีวิตที่เรียกว่าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่ามะเร็งหรือคีเม่นี่มันเปลี่ยนชีวิตของแก เป็นการเปลี่ยนที่แกสามารถจะมองเห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้นอกจากยอมรับโรคภัยนี้ได้แล้วก็ยังยิ้มรับกับมันได้ด้วยคือไม่ทุกข์เพราะเห็นประโยชน์ของมันอันนี้ก็เป็นการการมองในแง่บวกนะที่ช่วยได้มากเมื่อตอนกลางวันก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เล่านะได้พูดถึงว่าบางครั้งเวลาทางานแลบ่อยครั้งนะั้นต้อง ต้องมารับเคสของคนอื่นของหมอคนอื่นหมอไม่รับมันนะก็โยนมาให้เธอนะซึ่งเป็นหมอผ่าตัดไม่ใช่เป็นเคสของเธอเลยแต่ว่าก็แล้วก็ไม่ใช่เรงของตัวด้วยนะแต่ว่าตอนหลังก็รับแล้วก็รับภาระหรือรับผ่าเคสราวนี้นะโดยที่ไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเลย บ า, างที่ไม่ใช่เคสของตัวและไม่ใช่เวงของตัวแต่ว่าพยาบาลมาขอให้ทําเพราะหมอเจ้าของเคสไม่ทําเธอก็รับทําแล้วก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะว่ามองว่ามันมีประโยชน์ก็คือว่าตัวเองกไไ็ได้ได้ทักษะมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นในการผ่าแล้วก็ทีสองเนี่ยคนไข้ก็ได้ประโยชน์นคนไข้ก็เรียกว่าไม่ต้องมาทุกข์ทรมานกับโครคภัยไข้เจ็บ อันที่3นี่ก็พยาบาลนะก็พอยได้รับอ น, นิสงก็คือว่าไม่ต้องไป เ, เขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะถ้าไม่มีหมอผ่าตัดเดี๋ยวก็วุ่นวายกันอีกก็เรียกว่าวินวินวินวนะินทั้ง3าประกาเลย3ส่วนทุกฝ่ายได้หมดซึ่งอาจจะลมถึงโรงพยาบาลด้วยนะอันนี้ก็เป็นการมองแง่ดีก็ทาให้สามารถที่จะรับภาระหรือทางานที่ไม่ใช่ของตัวได้ แต่ถ้าคนถ้าวางใจไม่เป็นก็จะเครียดก็จะหงุดหงิดรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นชั้นคนอื่นไม่ทําทําไมต้องมาเป็นที่ฉันแค่นี้ฉันยังเหนื่อยไม่พอหรือไงนะคิดแบบนี้ใจแล้วก็ทุกข์นะมันไม่ใช่แค่ทุกข์ใจเดียวทุกข์กายเดียเพราะว่าทําไปก็บ่นไปทําไปก็บ่นไปกายก็เหนื่อยใจก็ทุกขนะ์แต่ถ้าวางใจเป็นนะเราไม่ทุกข์กันนะ นี่ก็ทำให้นึกถึงเด็กคนนึ่งนะซึ่งก็เขาก็เป็นเด็กที่เรียกว่ามี EQ พอสมควรเลยเขาเจอปัญหา ค, คล้ายๆกันนะคือว่าการที่ต้องมาทํางานโดยที่เพื่อนๆ เ, เนี่ยไม่ใส่ใจทิ้งภาร ะ, ะให้กับเขาอันนี้มันเป็นเด็กที่ร่วมรายการออกรายการของ ไทยพีบเนะเป็นรายการพลเมืองเด็กเมื่อ2ปีที่แล้วรายการนี้ก็เอาเด็ก3มคนมาทำกิจกรรมสาธารณะจิตอาสาแล้วก็เขาก็ดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรเด็กก็ยุสิบสองสิบสามคนนั้นนะข่าวนึ่งก็เอาเด็ก3ามคนเนี้ยไปขนของขึ้นรถไฟเด็กเขาจะเปลี่ยนไปเลยทุ ก, ทกอาทิตย์นะขนของขึ้นรถไฟรถไฟก็มีเวลาออกที่แน่นอน ลองชวนขนอนบังเอิญนะไอ้บ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนักชกหลืองทองโอลิมปิกเขาขึ้นชกเด็กผู้ชายสองคนก็เลยทิ้งงานนะไปดูโทรทัศน์เพราะมีการถ่ายทอดสดก็เหลือเด็กผู้หญิงขนของคนเดียวแกก็ขนนะด้วยความตั้งใจพิธีกรก็เลยไปถามว่า คิดยังไงที่หนูต้องขนของคนเดียวเธอก็ตอบว่ากา็หนูไ ม, ไมไ่ไม่ได้เป็นแฟนสมจิตนะเพื่อนก็เป็นแฟนสมจิตนะก็เห็นใจเขาเขาไปนานๆเขาจะได้ดูสมจิตขึ้นชกนะหนูไม่ได้สนใจมวยหนูก็ทำงานของหนูไปพิธีกรก็เลยถามใหญ่ว่าแล้วหนูไม่โกรธหรือไม่คิดจะด่า ว, ว่าเขาเหลอที่เขาทิ้งงานให้หนูทาคนเดียวเธอตอบดีนะเธอตอบว่า หนูคนของคุณรถไฟก็เหนือ่อยก็เหนื่อยอย่างเดียวนะถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างเนะนี่ยเธอเธอคิดแบบนี้เนี่ยนะก็ทําให้เธอทํางานได้โดยที่ไม่ทุกข์อันนี้ก็เพราะว่าจิตของเธอหรือว่ามุมมองของเธอเนี่ยนะเป็นมุมมองที่ไม่ไม่ชวนที่จะสร้างความทุกข์ให้แกต่ตัวตัวตัวเธอเอง แต่ถ้าเป็นเราเนี่ยนะเลือกระหว่างเลือกเหนื่อยอย่างเดียวกันเหนื่อย2 อ, อย่างเราเลือกอะไระเลือกเหนื่อยสองอย่างใช่ไหมทําไปก็บ่นไปมึงเอาเปรียบกูมึงเอาเปรียบกูบกใช่ไหมถ้าถามว่าอย่างเงี้ยเรามันมันมีประโยชน์ต่อเราไหมมันก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าจิตนะําเป็นมิตรที่ดีของเรานะเขาก็จะวางใจหรือมองแบบเด็กคนนี้แหละก็คือว่าเออ เราเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าแน่นอนนะเสร็จงานนี้แล้วก็อาจจะมาเคลียร์กันว่าทำไมทาอย่างนี้นะแต่ว่าไหนๆนี่ก็ไหนๆแล้วนะงานมันมาถึงตัวแล้วนะเราก็ต้องทำงานให้ดีที่สุดโดยที่ไม่เพิ่มความทุกให้แก่ตัวเองเหนื่อยอย่างเดียวก็พอแล้วไม่เหนื่อยสองอย่างอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจซึ่งมองในแง่นี้ก็เหมือนกับก็คือการที่ เราพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันการการวางจิตไว้อยู่กับปัจจุบั น, นะ ม, บบนมันช่วยเราตรงนี้แหละนะเพราะถ้าจิตเราไม่อยู่กับปัจจุบันนะคือเราไม่อยู่กับงานที่เราทานะเราก็จะไปมองคนโน้นมองคนนี้เห็นเขาไปดูโทรทัศน์เห็นเขาทิ้งงานนะเราก็จะรู้สึกไม่พอใจลึกๆเราก็อยากจะสบายแบบเขาด้วยหรือว่า ึกๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม่ยิ่งคิดแบบนี้มันก็ยิ่งทุกข์นะเพราะว่าในเมื่องานมาอยู่ต่อหน้าแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนอกจากทำให้ดีที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนี่มันไม่ได้แปลว่างานออกมาสาเร็จอย่างเดียวนะแต่ว่าคนทำก็มีความสุขด้วยงานได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้แหละคือความหมายว่าดีที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราอยู่กับปัจจุบันให้เป็น เหมือนกับพวกเราเนี่ยมาตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมสร้างจังหวะนะถ้าเราทำไปบ่นไปทำไปบ่นไปเราก็ทุกเองไม่มีใครทุกไปกับเรานะถึงแม้เราจะบน่นพูดจัดว่าทำไมลากเรามาที่นี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับเราแต่เราต่างหากที่เราเป็นทุกเสียเองถามว่าเป็นทุกเพราะอะไรก็เพ ร, เพราะจิตที่วางไว้ไม่ถูก นจิต น, นี้เขาไม่เป็นมิจกับเรานะเขาก็เลยหาเรื่องหาราวมาให้เรามีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราเป็นมิจกับจิตนะฝึกเข้าไว้ดีนะแม้ในายามที่เราเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเขาก็สามารถที่จะมองให้กลายเป็นดีได้หรือทําให้เราไม่ทุกข์ได้ อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยมากในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับเมือกับภาระต่างๆได้โดยที่ใจไม่ทุกข์หรือว่าสามารถจะเจอเหตุร้ายได้โดยที่ใจเราไม่ทุกข์ก็คือการคิดถึงคนอื่นที่เขาเดือดร้อนหรือทุกข์มากกว่าเราพนะู้ง่ายคือการคิดถึงคนอื่นนั่นเองวิธีนี้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะรับเมือ่อความทุกข์ได้ง่ายหรือความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กนะก็ได้เล่าให้ ทีมที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยฟังถึงเด็กคนหนึ่งนะอันนี้หมอที่นครปฐมไล่ฟังชื่อน้องโยนะเป็นเด็กเจ็ดขวบวันหนึ่งนะป้าก็ชวนน้องโยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองบอกว่าเจอรถชนนะมอเตอร์ไซค์นี่พังยับเยินป้านี่ก็แขนหักไปข้างหนึ่ง แต่น้องโยนี่หนักกว่านั้นคือขาเละไปหนึ่งข้างนะตลอดทางที่ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยตลอดเลยแต่ว่าน้องโยไม่ร้องเลยพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ผ่าตัดทันทีหมอผ่าตัดเสร็จก็เลยถามน้องโยว่าทําไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยพูดดีนะพูดสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับคือน้องโยในคิดถึงป้าจน ลืมนึกถึงตัวเองหรือว่านึกถึงป้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าความทุกข์ของตัวเองนี่เป็นเรื่องเล็กสามารถที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดได้เพราะเห็นว่าความเจ็บปวดของตัวเองไม่สําคัญเท่ากับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ความเศร้าของป้านี่ของเราเนี่ยพอเราคิดถึงคนอื่นแล้วเนี่ยให้ความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งแกจะเรียกว่าโชคร้ายก็ไดนะ้คือติดเชื้อ hiv จากสามี น่าจะโกรธนะน่าจะทุกข์เพราะตัวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแต่ว่าดันมาได้รับเชื้อนี้แต่เธอก็ดีนะก็ดูแลสามีจนกทั้งสามีเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็รู้ว่าเอช HIV นี่มันเป็นอันตรายมากแล้วคนก็ติดง่ายมากก็เลยไปช่วยโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือพวกติดเชือ้อต่อมาก็ได้เป็นวิทยากรนะ เพื่อแนะนำให้คนเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็ขณะเดียวกันต่อมาก็ทำโครงการเพื่อแนะนำให้การศึกษาผู้หญิงแล้วก็ชาวบ้านในชนบทรวมทั้งเยาวชนด้วยบอกกันว่าเธอติดเชื่อมา17ปีเนี่ยสามารถจะอยู่รอดได้แล้วก็ไม่ได้อยู่รอดแบบคนที่เจ็บป่วยนะ เธอก็เรียกว่าสุขภาพก็ดีพอสมควร17ปีที่เธอติดเชือ้อแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังทำงานช่วยเหลือผู้คนอยู่ก็มีคนถามว่าพี่พี่ทำงานหนักๆแบบนี้ไม่กลัวล้มป่วยเหรอเธอบอกว่าถ้าฉันคิดถึงคนอื่นเนี่ยฉันตายไปนานแล้วถ้าฉันคิดถึงคนอื่นที่ฉันตายไปนานแล้ว คือตายเพราะเชื้อแต่เพราะคิดถึงแต่เพราะว่าไม่ได้ถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยฉันตายไปนานแล้วแต่พราะเธอคิดถึงคนอื่นเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ามีความสุขกับการที่ได้ทําเพื่อช่วยเหลือคนอื่น้นะความเจ็บป่วยนี่ก็เลยเป็นเรื่องเล็กจะเรียกว่าภูมิมต้านทานเพิ่มขึ้นก็ไดนะ้จากการที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะมันก็ลืมความเจ็บป่วยลืมความเจ้าของตัวเองไป ตรงข้ามคนที่จมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองนะนั่นก็ยิ่งทําให้ความทุกข์เนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นไอ้อยางนี้ตายเร็วนะนี่ตายเร็วงั้นการคิดถึงคนอื่นเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับความทุกข์ได้บางทีความทุกข์ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าเวลามันเจอโหลดงานเยอะๆอย่างพวกเราเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาล ในชนบทเนี่ยโดยพลงตางของรัตนีก็ต้องเจอภาระงานมีหมอคนหนึ่งเขาไลฟ์ฟังก็เป็นหมอที่ออกไปทำงานในชนบทเป็นหมอที่ดีแกก็มีความตั้งใจอย่างนี้ว่าเวลาตรวจคนไข้ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะตรวจจนหมดไม่ให้เหลือเลยแม้ว่าจะเลยเที่ยงไปแล้วก็จะไม่พักเพราะว่าถ้าบอยทบทถ้ถพักเนี่ยแล้วมาต่อใหม่ตอนบ่าย คนไข้หลายคนก็จะมีปัญหาคือหารถกับเข้าหมู่บ้านได้ยางั้งแกก็จะตัวตะลุยในเช้าจนจนจบนะมีวันหนึ่งคนไข้ยเยอะมากเที่ยงก็ไม่หมดมาเสร็จเอาตอนบ่ายเสร็จเอาตอนบ่ายพอออกมาจากห้องตรวจก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งกำลังทำบตดอยู่ แล้วก็จะมาขอตัวกับหมอคนนี้จะฉุนมากเลยนะก็เลยพูดกับคุณลุงคนนี้ว่าทำไมคุณลุงมาตอนนี้นะข้าวเที่ยมผมยังไม่กินเลยข้าวเที่ยมผมยังไม่ได้กินเลยคุณลุงก็อธิบายเนี่ยผมออกมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะหมู่บ้านไกลนั่งรถมาหลายตลบเลยหลายเที่ยวหลายทอดเพิ่งมาถึงนี่แหละนะข้าวช้าผมยังไม่ได้กินเลยหมอหมอฟังนี่ก็อึ้งเลยนะโอ้ เราคิดว่าเราทุกข์แล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่เขาหนักกับเราอีกปรากว่าไ อ, ไอความความเอความรู้สึกแย่นี่มันหายไปเลยนะเพราะว่าเห็นว่าเ อ, อเขาทุกข์กับเรานะและทำให้ต่อไปเนี่ยเวลาจะเวลาจะว่าคนไขน้ต้องถามก่อนนะต้องถามว่ามันเป็นมายังไงก่อนเพราะบางทีเราเห็นเขามาไม่ตรงเวลาก็ว่าเขาละนะโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีอุปสรรคปัญหาอ ย, ย่างไงบ้าง ก็เมือนกับมอยคนหนึ่งนะ ค, คล้ายๆกันแต่ว่าคนเราเวลาวันนั้นจะขึ้นเวรดึกไม่มีคนไข้ใช่ไหมไม่มีไม่มีงานแล้วก็เลยนอนตอนตีสี่ถูกปลุกขึ้นมามีคนไข้จะมาให้ตรวจทีแรกก็เนื้อคนไข้แบบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดโรคเฉียบพลันแอกว่าเป็นคนไข้นอกปวดหัวปวดหัว่วปวดหัวมาสิบวันแล้ว พอรู้แค่นี้ฉุนเลยนะว่ามาทำไมตอนนี้วตีสี่มาทาไมวะตอนนี้ทำไมไม่มาตอนเช้าแต่พอไปตรวจคนไข้เนี่ยถามคนไข่ก็ได้ความว่าปวดสิบวันก็จริงนะก็อยากจะมาหาหมอนะแต่ว่าลูกเนี่ยไม่ว่างที่จะมาไม่ว่างที่จะขับรถมาส่งพ่อตัวเองก็พยายามหายยากินนะช่วยตัวเองแต่ว่ามันไม่หาย จกนกระทั่งเช้านี้เนี่ยนะตีสามนี่คนข้างบ้านเขาจะขับรถเข้ามาในเมืองก็เลยติดรถเข้ามาพอฟังเรื่องราวของคุณลุงคนนี้นะคุณหมอที่ฉุนฉุนนี่นะปรากฏว่าใจสงบเลยคือรู้สึกเห็นใจมาได้คิดว่าเออคนป่วยนี่นะก็ไม่มีใครอยากจะตื่นตีสามมาโรงพยาบาลหรอกก็อยากจะนอนกันทั้งนั้นแหละพอคิดแบบนี้เขาเนี่ยไอ้ความ ความฉุนความโกรธหายเลยนะนะเพราะว่าเห็นใจความเห็นใจมาแทนที่เห็นใจคุณลุงทัคบอสเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหมอคนนี้ได้เลยเพราะตดหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยบน่นไม่เคยไม่เคยทุกข์ไปกับการที่ต้องมีภาระเยอะเพราะว่านึกถึงหัว อ, อกคนไข้นะ นึกไปถึงขั้นว่าเออถ้าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยเราอยากจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรนะก็ทําอย่างนั้นแหละนะเราอยากจะปฏิบัติกับพ่อแม่หรือพี่น้องของเราอย่างไรก็ปฏิบัติกับเขาอย่างนั้นคิดแบบนั้นเนี่ยจิตใจก็สงบเย็นแล้วก็มีความสุขกับการทํางานแม้จะเยอะอันนี้นเดนมาคิดว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีมองนะที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ทุกข์แม้ว่า ให้เหตการณ์แวดล้อมเนี่ยมันจะไม่น่าพึงพอใจเท่าไหร่เช่นงานเยอะเจ็บป่วยหรือว่าประสบ ค, ความสูญเสียอันนี้ทางพุทศาสนาเรียกว่าโยนิโสมรสิกานะการมองแบบทั้งหมดเหล่านี่เช่นมองแง่บวกหรือว่าอยู่กับปัจจุบันขณะหรือว่าเ อ, อนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นเป็นการมองที่มันรักกุศลเป็นการมองที่ทาให้เราไม่ทุกข์นะ เรียกว่าฉลาดทำใจก็ได้หรือฉลาดคิดก็ได้แต่ว่าเรียกเป็นภาษาบริยวยนิโสมณสิการซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสติพระุทธเจ้าตรัส ว, ว่าสตินี้เป็นอาหารของโยนิโสมณสิการนะแต่ทั้งสติก็ดีโยนิโสมณสิการก็ดีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเร่รอนั่นเกิดจากการฝึกนะจนฝึกจนกระทั่งทําทให้ใจเนี่ยเป็นมิตรกับเราได้แล้วก็สามารถจะนําสิ่งดีๆมาให้แก่เราได้พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่า ไอ้สิ่งดีๆที่พ่อแม่ให้แก่เราไม่ได้นะที่เพื่อนให้แก่เราไม่ได้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีหรือว่าจิตที่นิสัยดีเนี่ยสามารถจะให้แก่เราได้ในทางตรงข้ามจิตที่นิสัยไม่ดีเนี่ยสามารถจะทำร้ายเรายิ่งกว่าที่ศัตรูทําร้ายศัตรูได้กันนะเพราะนีนน้ก็ให้เราตระหนักว่าถึงแม้ว่าเราจะยังจะมีความไม่สะดวกสบายหรือว่ามีความทุกข์อย่างไรในการปฏิบัติเนี่ย ก็ให้ตระหนักว่ามันเป็นธรรมดาแต่นี่คือสิ่งที่เราควรทําเพื่อจะทําทให้ใจของเรานี้เป็นมิตรกับเราเพราะถ้าใจเป็นมิตรกับเราแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มาทําร้ายเราแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าใจไม่เป็นมิตรกับเรานะมันก็มีทางเลือกอีกทางเดียวคือใจก็จะเป็นศัตรูของเราเป็นศัตรูที่ร้ายมากทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้ไม่มีความสุขเลยนะเราจะเลือกอะไรนะระหว่างมีใจเป็นมิตรกับมีใจเป็นศัตรนะูก็ฝากเอาไว้นะ ยุติเพียงเท่า น, นี้กลับภาพพร้อมกัน